วิธีทำจิตให้เป็นสมาธิอีกข้อหนึ่งคือธาตุป ร, รมพาวิธีทจิตให้เป็นสมาธิอีกข้อหนึ่งคือธาตุระพาวิธทำตให้เปนาธกขหนืหอธาตุประวาวทนการกําหนดธาตุปราวิธทำตใ้ปนสมาธิ้หนึ่งคืาตราวธีาาทำใ้นาธกขน่ควธามะาให้นมายวน่คาราวากหรือมูลราก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 ส่วนธาตุในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายถึงว่าคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่เป็นที่สรุปรวมสิ่งที่มีคุณลักษณะอย่างเดียวกันเข้าด้วยกันและแสดงไว้ว่านิร่างกายอันนี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ําเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลม และในบาปพระสูตรก็แสดงธาตุห้าคืออากาศธาตุธาตุอากาศเพิ่มเข้าอีกหนึ่งอะไรบ้างเป็นธาตุเหล่านี้ท่านกระชีไว้สำหรับให้พิจารณาคือในร่างกายอันนี้เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังมังสังเนื้อ นหารูเอ็นอธิกระดูกอธิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังไตอัทธยังหัวใจยากนังตับกิโลมะกังพังผืดปีหกังม้ามปบผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตาคุณนังสายรัดไส้อุตรียังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่า และสิ่งอื่นๆที่มีลักษณะแข่นแข็งเรียกว่าปัตวีธาตุธาตุดินคือเอาลาักษณะแข่นแข็ ง, ขงปิดตังดีคือน้ำดีเสมหังสเลตปุกโพน้ำหนองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทมันข้นอสุน้ำตา วาสามันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาไข่ข้อ ม, มุดตังมูดหรือน้ำปัสสาวะและส่วนอื่นที่มีลักษณะเอบอบาบเรียกว่าอาโปธาตธาตน้ำนี้ก็เอาลักษณะที่เอิบอาบส่วนไฟนั้นก็ได้แก่ เยนาจะสันต ป, ปติไปที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเยนาจะชิระยะติไปที่ทำให้ร่างกายสุดโทมเยนาปริทัยหติไปที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนาอสิตาปีตากายิตะสายิตังสัมมาปรินามังคติไปที่ทำให้อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มถึงความย่อยได้ และไฟอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นก็เรียกว่าเป็นเตโชธาตธาตุไฟนี้เอาลักษณะที่เราร้อนหรือรุ่มร้อนส่วนที่เป็นลมนั้นก็ได้แก่อุดทังขมาวาตาลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอโทขมาวาตาลมที่พัดลงเบื้องต่ำ กุจิสยาวาตาลมที่อยู่ในท้องคือในกระเพาะอาหารกุจสยาวาตาลมที่อยู่ในไส้อังคังคานุสาวริโนวาตาลมที่พัดไปตลอดอวัยวะน้อยอวัยวะใหญ่และอัศโสลมหายใจเข้าปัสาโสลมหายใจออกหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพัดไหวเรียกว่าวาโยธา ธาตุลมนี่ก็เอาลักษณะพัดไหวอส่าสะนั้นในวิสุทธิมรรคแสดงไว้ว่าลมหายใจออกปัสสาสะแสดงไว้ว่าลมหายใจกลับคือลมหายใจเข้าเพราะอธิบายว่าเมื่อเด็กคลอดออกมาจากคันมารดานั้นหายใจออกก่อนแล้วจึงหายใจเข้าและคําว่าอส่าสะ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 ส่วนอากาศนั้นก็ได้แก่กันณัชิตทางช่องหูนาสัตชิตทางช่องจมูกมุขาชิตทางช่องปากเยนอาอสิตาปีตาคายตะสายิตังอโชหรติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มกลืนผ่านลงไปยะตตาอสิตาปีตาคายตะสายิตังติดทติ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 การจัดธาตุและระบุอวัยวะระบุลักษณะที่เป็นธาตุดังกล่าวนี้แสดงตามที่จัดไว้ในพระคำภีแสดงความรู้ในทางกายวิภาคที่จะพึงหยิบยกมาเป็นทางพิจารณาทำธาตุกรรมฐานในบัดนี้ถ้าผู้ที่รู้วิชาแพทย์รู้วิชากายวิภาคจะมาจัดระบุขึ้นตามในตำราปัจจุบันก็อาจจะได้เห็นความละเอียดพิสดารขึ้นอีกแต่ก็ยังไม่มีใครทำ ถ้าผู้ที่เรียนแพทย์มาทำขึ้นได้จัดตามตำราแพทย์ในปัจจุบันได้ก็จะดีเหมือนกันในร่างกายอันนี้เมื่อไม่พิจารณาแยกธาตุดูรวมๆกันอยู่ก็เป็นก้อนเป็นแท่งที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนและเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนก็มีเรื่องกระวนกระวายต่างๆสืบเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาแยกธาต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 เมื่อแยกออกไปแล้วก็พบแต่ว่าเป็นาธาตุทั้งนั้นถ้าจะแยกอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือว่าแยกออกไปออกไปก็เป็นอะตอมอะตอมทั้งหมดบรรจุอยู่ในอากาศาธาติคือช่องว่างเมื่อแยกอะตอมออกไปอีกทีหนึ่งก็เหลือแต่อากาศาธาติคือช่องว่างนี้เรียกว่าเป็นาธาตุกรรมฐานทาให้เกิดสมาธิคือความสงบตั้งมั่นด้วย และแกวิปัสสนาปัญญาก็เห็นแจ้งด้วยเราทำให้ความเห็นเป็นอนัตตาประกอบไปด้วยกัน